จะได้ฟังธรรมกันเพื่อที่จะได้น้อมมาพิจารณาให้เกิดปัญญาในการได้รู้ยิ่งและก็ได้เห็นสภาพความจริงอันเป็นสิ่งประเสริฐสุด นั่นก็คือการได้เห็นในอริยปัญญาไม่มีสิ่งมาหลงตาและก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้ใจของบุคคล น, นั้นหลงไปอย่างพระพู้มีพระภาคเจ้า มีผู้ได้ทูลถามพระองค์อยู่มากในครั้งที่พระองค์มีพระชนอยู่แลมีอยู่ในตอนหนึ่งว่าพระโคดมผู้เจริญด้วยการปฏิบัติอย่างไรสาวกของ พระโคดมจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติตรงต่อโอวาทข้ามพ้นความสงสัยไปได้และก็ไม่ต้องเที่ยวไปถามคนอื่นหรือใครๆทั้งหมดว่าอย่างนี้มันเป็น อย่างไรหรือแบบไหนแล้วจะมีความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนของแต่ละศาสดาเขาถามกันดีไม่ได้ถามกันแบบอยากรู้แล้วก็ไม่มีเกณฑ์สารไม่ใช่เขาถามเพื่อให้รู้ แล้วก็ทราบว่าเกณฑ์สารคืออะไรพระผู้มีพระภาคเนี่ยก็ได้แสดงว่าสาวกของเราในศาสนานี้นเมื่อได้พิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันชอบเมื่อได้พิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันชอบตรงตาม ที่เป็นจริงคำเนี้ยสำคัญที่เห็นชอบแล้วก็ตรงตามความจริงนะหรือที่จริงเกิดขึ้นที่เป็นจริงที่มีอยู่หนึ่งก็คือเรื่องของรูปเวทธนาสัญญาสังขารบิญญาณถ้าเห็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ตามที่ล่วงไปแล้วและท้งที่ยังไม่มาทั้งที่เกิดอยู่ในบัดนี้ก็ตามไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นภายในหรือจะเป็นสิ่งภายนอกก็ตามจะหยาบละเอียดจะเลวดี จะใกล้หรือไกลก็ตามทั้งหมดเนี่ยเป็นแต่ศักว่ารูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้นี่คือคำที่พระพุทธเจ้าได้แสแดงว่า คำที่เขาถามพระองค์ว่าสาวกของพระองค์เนี่ยปฏิบัติตามคำสอนได้อย่างไรหรือชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามและเป็นผู้ปฏิบัติตรงในโอวาทพร้อมทั้งการข้ามจากความสงสัยแล้วก็อาจหารด้วยมีความอาจหันกล้าหารพร้อมทั้งไม่ต้องไปเชื่อ ในบุคคลหรือศาสด า, า, าใดๆพระองค์ก็ได้ตรัสแสดงว่าถ้าสาวกในพุทธศาสน า, ศ า, ศาหรือตลอดถึงพุทธบริษัททั้งสี่ก็ตามนะทั้งมีปิสุพิสุเนอุบาสกบาสิกาในครั้งพุทธกาลใครก็ตามที่ได้ พิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันชอบตรงที่เป็นจริงว่าเห็นรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามแมวรูปนั้นจะหยาบคายจะประนีตจะดีจะเลวในที่ใกล้ที่ไกลทั้งหมด ที่เกิดขึ้นก็ดีที่ตั้งอยู่ก็ดีที่ล่วงไปแล้วก็ตามให้กําหนดให้เห็นสักว่ารูปเบทนาสัญญาสังขารบิญญานะให้รู้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่อัตตาของเราถ้าใครเห็นอย่างนี้หมดความสงสัยจริงๆโยมไม่ต้องไปเดินถามใครอีกเลยว่าการปฏิบัต เราเรารู้จริงไงอยางเรายังสงสัยอะไรอีกมันหมดไปเลยทุกคนที่เขากำหนดจริงๆในรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปธรรมนามธรรมเห็นตรงสภาพจริงสภาวะจริงไม่ว่าอาดีตปัจจุบันอนาคตทั้งที่ยังไม่เกิดทั้งที่เกิดแล้วทั้งที่ ล่วงไปแล้วก็ตามให้มองว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนเราไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เราถ้าเห็นอย่างนี้กำหนดอย่างนี้ได้จริงเขาไม่ถามแล้วเขาไม่ถามและคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนี้ไม่มีสองก็จริงไม่ต้องถามไง ที่เราปฏิบัติอยู่หลายปีที่ถามกันเพราะเราไม่ได้กำหนดอย่างนี้ห้าวันแปดวันสงสัยล้วเดือนครึ่งเดือนเกิดสงสัยแล้วนั่นเพราะเราไม่เห็นตามความเป็นจริงหรือไม่กำหนดสภาพที่มีอยู่ตามความเป็นจริงก็เลยยังไม่ตรงต่อ ผู้ปฏิบัติตามคำสอนยังไม่ปฏิบัติตรงต่อโอวาทยังไม่ข้ามพ้นจากความสงสัยแล้วก็ยังเที่ยวถามไอ้นี่อะไรไอ้นี่อะไรเงี้ยถามอยู่เงี้ยแล้วความอาจหารหรือความกล้าหารก็ไม่มี พอถึงเวลาจะตายก็กลัวจะเจ็บก็กลัวจะแก่ก็กลัวความแปรที่เกิดขึ้นก็ตกใจเจ้านั้นคนจะทำบุญหรือทำบาปแก่ทั้งนั้นทรวมาบอกให้ฟังแกขณะทำดีก็แก่ทำชั่วก็แก่ ต้มเขาหรือถูกต้มก็แก่มันไม่สงสัยไม่สงสัยรูปนี้เป็นอย่างไรตั้งอย่างไรเรารู้หมดความสงสัยนี่แหละคือบุคคลที่ยังสงสัยพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงว่าด้วยการปฏิบัติเพียงเท่านี้นะ สาวกของเราย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติตรงตรงต่อโอวาทพร้อมทั้งข้ามพ้นจากความสงสัยไปได้และไม่ต้องเที่ยวคือไม่ต้องไปเที่ยวถามถามใครเลยว่าธรรมะเป็นอย่างไรธรรมะ พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรไม่ต้องถามทำมีความอันหานอยู่แล้วนี่ท่านไปกลัวทำไมแก่เจ็บตายท่านมีอยู่แล้วอ่ะท่านไปกลัวอะไรกับความไม่เที่ยงท่านมีอยู่แล้วมันชัดอยู่แล้วท่านไปตกใจอะไรกับสิ่งเกิดดับหรือสิ่งที่ปรากฏตั้งอยู่ในขณะ ไม่จำเป็นน่ะถ้าทำอย่างนี้ได้ก็จบจากความสงสัยไม่ต้องถามแล้วพระอาจารย์โยมจะมีปัญญาเมื่อไหร่เนี่ยแต่มาบกพรุ่งนี้โยมเชื่อล่ะเดี๋ยวก็เกิดแล้วปัญญาเข้ามาใกล้ๆนะ่ะเเคหให้ไงปัญญา แตกซ้านไปเลยวิ่งไม่เป็นมเลกุลเลยล่ะมันรู้มันรู้จากการรู้แจ้งไม่ใช่รู้จากการถามสภาพรู้มันรู้จากการรู้แจ้งคือรู้จริงตามในยะที่มีที่เกิดที่เป็นมันก็จริงอย่างนั้นต่อมาก็ ยังมีผู้ถามต่อว่าพระโคดมผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พิสุได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์นั่นก็หมายว่าเป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นจากอัศวะหรือมีอัศวะสิ้นแล้วมีพรหมจรรย์ อันอยู่จบแล้วมีกิจที่ต้องทำอันทำเสร็จแล้วมีของหนักอันปรงลงได้แล้วมีประโยชน์อันตามบรรลุแล้วนะมีสังโยชน์พบทินแล้วนะหลุดพ้นแล้วด้วยปัญญาเป็นเครื่อง รู้โดยรอบนะก็ไม่ถามธรรมดานะเขาถามนี่เขาถามในขั้นแบบปฏิบัติอย่างไรหรือด้วยเหตุอะไรที่ทำให้คนเนี้บรรลุอลหรหันต์หมดกิเลสสิ้นพบชาติของหนักทั้งหลายาวางก็คือไม่แบกแล้วเครื่องผูกทั้งหมดนั่นเป็นสังโยชน์ทั้งเบื้องตม่มเบื้องสูงนี่ละได้หมด โยมคิดคนธรรมดาตอบไม่ได้หรอกคนที่ยังไม่รู้มันเป็นโลกุตระจิตนะไม่มีทางตอบเพราะไม่ใช่อยู่ในวิสัยที่จะตอบได้เมื่อพระผู้มีพระภาคเนี่ยได้สดับรับฟังในปัญหาที่ได้ทูลถามก็ได้ ตรัสแสดงว่าพิสุในกรณีที่จะหลุดพ้นได้เน่ยนะยมฟังแล้วก็น้อมจิต ด, ด้วยนะว่าพระองค์ได้ตรัสแสดงไว้อย่างไรพิสุในกรณีนี้เป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยความไม่ยึดมั่นเพราะเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริง ทีนี้โยมอยากรู้เห็นอะไรชอบตามที่เป็นจริงพวกเราก็รู้สึกใจเห็นจริงกันทุกเรื่องนะตาเห็นกันแหมไก่เดินมาหมูเดินไปแมวสวนมาแล้วก็ฆ่าไก่กินอย่างเงี้ยนะพวกเราก็เห็นแต่มันคนละเห็นเห็นด้วยตาแต่นี่เห็นด้วยปัญญาที่ไม่มีบาปด้วยนะ ไม่มีโทษไม่มีภัยไม่มีเวรเขาเห็นกันอย่างนี้นะั่นจึงจะเรียกว่าเป็นการเห็นที่หลุดพ้นจากปัญญานะของพวกเราเห็นตั้งแต่เช้าจนมืดนี่นแหละไม่เห็นตอนมืดนั่นแหละมองไม่เห็น้าเปิดไฟก็เห็นต่อยอนั่นมันแสงไฟก็ส่องทางส่องให้เห็นแต่ว่าแสงธรรม ส่งกระจายแจ้งอยู่ภายในก็เรียกว่าเป็นแสงใจที่มีธรรมะได้รอดเข้าไปแล้วก็เห็นเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปจับคำไม่ดีนะเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณ รูปเบทนาสัญญาสังขารบินญาณอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามทั้งที่ล่วงไปแล้วทั้งที่ยังไม่มาถึงทั้งที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันหรือในบัดนี้ก็ตามทั้งที่เป็นภายในภายนอกทั้งที่หยาบทั้งที่ละเอียดทั้งที่ใกล้ทั้งที่ไกลทั้งหมดเนี่ยทั้งรูป ที่เราเห็นไม่ว่าจะใกล้ไกลแค่ไหนในขันห้าตัวเนี้ยเวทธนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดเนี้ยเป็นแต่สักว่าจาคำนี้นะเป็นแต่สักว่ารูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นไม่ใช่ของเราโยมปฏิเสธเ เป็นไหมนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้ยอมปฏิเสธไม่ใช่ว่าเราปฏิเสธสิ่งที่ที่เกิดที่มีที่เห็ น, ท, หนที่เป็นแต่เราเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นขันห้าเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณ ให้มองเห็นอย่างนี้ด้วยเหตุนี้เพียงเท่านี้พิสุได้ชื่อว่าเป็นพระอระหันต์มีอัสวะสิ้นแล้วมีพรมจรรย์อยู่จบกิจที่ต้องทำเสร็จเรียบร้อยของหนักก็โปร่งลงประโยชน์ก็ได้รับคือการบรรลุสังโยชน์ในภพก็ดับหมดในความยึดไม่มีแล้ว เขาเรียกว่าสิ้นนั่นคือการหลุดพ้นด้วยปัญญาเป็นเครื่องรู้ชอบเห็นไหมหยัดโยบฉะนั้นพิษุผู้หลุดพ้นแล้วด้วยอาการอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยทีนี้แต่เมื่อไรเราไม่เห็นอย่างนี้เนะี่ยเห็นว่าขันเป็นของเรารูปเสียงรูป เวทนาสัญญาสังขารบิญญาณเป็นของเราเนยโยมออกไม่ได้หรอกการที่เสียใจกันอยู่ก็เพราะอย่างนี้นะความโกรธความโลภความหลงก็อาศัยเหตุแห่งความยึดมั่นหมายในขันห้านี่แหละมันเป็นอย่างนี้จริงฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมองเห็นจริงๆธรรมะ ตามในยะที่ได้แสดงไว้นะเราก็บรรลุก็มีบาลียืนยันว่ายมปนานิจังทุกขังวิปรินามะธรรมังกันลังนตังสั ม, มนุปัสสติสั ม, มนุปัสิตังเอตังม ม, มะเอโซอหามัสมิเอโซอมีอตาติโยงฟังคำแปลและตรงกันเลย ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือควรหรือหนอเพื่อที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเราไอ้นั่นของเรานั่นตัวนั่นตนของเราทวนอีกครั้งหนึ่งก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอ เพื่อที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเราไอ้นั่นของเรานั่นตัวนั่นตนของเราควรหรือถ้าเราเงี่ยงหูฟังนะ่าเอาจิตจดจ่จ อ, จอแล้วกําหนดรู้ตามสภาพธรรมความสงสัยนี้หมดจริงๆนะหมดจริงๆ ดันั้นพิษุผู้หลุดพ้นด้วยอาการอย่างนี้ย่อมประกอบด้วยอนุตติยะอยู่สาประการคือทัศนานุตติยะปฏิปทานุตติยะวิมุตตานุตติยะนั่นเป็นการชัดแล้วเป็นการแสดงว่าเป็นความเห็นอันยอดเยี่ยมเป็นหนทางอันยอดเยี่ยมเป็นการปฏิบัติอันยอดเยี่ยมแล้ว ได้เป็นการรู้อันยอดเยี่ยมแล้วสุดยอดแล้วก็คงไม่มีอะไรนะอะไรที่จะมันยิ่งกว่าทัศนนุตริยะความเห็นอันเยี่ยมแล้วมันสุดยอดแล้วที่ได้เห็นอย่างนี้ปฏิปทานนุตริยะความปฏิบัติอันเยี่ยม ไม่มีการปฏิบัติในชีวิตของเราที่จะดีกว่าการปฏิบัติในสิ่งนี้แล้วจนถึงวิมุตตานุตริยะความพ้นอันเยี่ยมคือพ้นจากรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขันท่าอันเป็นของหนักภาลาหเวปัญจขันธานะขันธ์ตั้งห้า เป็นของหนักเมื่อเป็นของหนักเราก็ได้ปลงได้วางลงเมื่อมีความเห็นอันเยี่ยมมีการปฏิบัติอันเยี่ยมและหลุดพ้นอันเยี่ยมสุดยอดระยกใครมาถึงจุดนี้เขาเรียกว่าจุดสุดยอดไม่มีอะไรที่จะทำให้เจริญกว่านี้อีกแล้ว หมดจริงๆมีจิตอันหลุดพ้นอย่างนี้เนี่ยย่อมสักการะย่อมเคารพย่อมนับถือย่อมบูชาพระตถาคตว่าพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ตรัสรู้แล้วย่อมแสดงธรรมเพื่อการตรัสรู้แล้วเป็นผู้ฝึกตนแล้วย่อมแสดงธรรมเป็นเพื่อการฝึกตนเป็นผู้สงบ ระงับแล้วย่อมแสดงธรรมเพื่อความสงบระงับเป็นผู้ข้ามแล้วย่อมแสดงธรรมเพื่อการข้ามเป็นผู้ปริณิพานดับเย็นสนิทแล้วย่อมแสดงธรรมเพื่อปริณิพานดับเย็นสนิทดังนี้เราจะไม่สงสัยอีกเลยถ้าทุกคนกำหนดจริงแล้วเห็นนยะ ตามเนื้อความจริงเชื่อน่ว่าความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมนานาสัยตัวตนจริงๆนะเมื่อไรใครทำลายตัวตนลงได้นะโลภโกรธหลงเนี่ยมันไม่มีที่อยูนะ่มันไม่มีเรือนที่จะอาศัยมันก็จอนต่อไปอีก ไปหาบ้านใหม่มันไปหาคนที่ยังจะใช้กับว่ายังไม่รู้หรือยังมีอวิชชาครอบงำอยู่พอมันเห็นบ้านหลังใหม่มันก็เข้าอีกคนนั้นก็มาแบกโลกต่ออันนี้ก็ของฉันอันนี้ก็ของฉันถูกไหม อ้ น, นี้ก็ของกูอ้ น, นี้ก็ของกูพอตายก็ขันทุกกูจุกกูของกูของกูอยู่แถวหน้าโบสถ์นะั่นะของกูของกูมันติดนิดสัยขนาดตายแล้วยังยังบนของกูของกูเปลี่ยนพบนะ เปลี่ยนพบเลยอยังของกูของกูจุกกูจุก ก, กูเล่นไม่เลิกเล่นไม่เลิกร่างเปลี่ยนแล้วแต่จิตเนี่ยความมั่นหมายความยึดมั่นเนี่ยมันยังมีเม่่อในรูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้เราก็ไปไม่ได้แสดงว่าพระพุ้มีพาภาคเนี่ย เน้นและก็ย้ำให้เราเรู้ถึงในเรื่องขันห่าวารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่อัตตาของเราทีนี้เราจะทำให้แจ้งอย่างไรว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโยามต้องมองว่ากําหนดดิกําหนดกําหนดว่ารูป เวทนาสัญญาสังขารมันตั้งอยู่แบบไหนอดีตปัจจุบันอนาคตเวทนามันตั้งอย่างไรอดีตปัจจุบันอนาคตสัญญามันตั้งอย่างไรอดีตปัจจุบันอนาคตสังขารแห่งใจตั้งอย่างไรอดีตปัจจุบันอนาคตสังขารแห่งใจ แด้บิญญาณตั้งอย่างไรอดีตปัจจุบันและอนาคตกำหนดจริงๆแล้วเห็นและถ้ารู้ครั้งนี้นะหมดคำถามเป็นคำตอบสุดท้ายและเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยรับเลยรางวัลเจ็คพอตในธรรมะแตกกันแตกไม่เหลือ ไอ้ที่มันเหลือเนี่ยก็คือพวกเราเนี่ยเล่นไม่ถูกเกมไปไม่ถึงไม่ถูกจุดไปไม่ถึงจุดเขามันยังผิดผิดได้โยมก็ผิดจริงๆนะโยมจะมาที่เราฟังอยู่นั่งเดินยืนอยู่หรือขณะทําอะไรอยู่ก็ตามเรายังบอกว่าสุขของเราอยู่เลยตอนนี้ ทุก็ของเราแบกวาเลยแม่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยบอของเราดีใจก็ของเราเสียใจก็ของเราได้อะไรมาก็ของเราอะไรจากไปก็ของเราอีกโอ้โหอะไรจะป่านนั้นจริงขนาดได้สามีได้แฟนมาใหม่แฟนเราพอได้เสร็จสามีเรา พ อ, อยาเสร็จมันเคยเป็นของเราเอาอีกแล้วนะแต่มาบอกเออมีอยู่คนเดียวที่ไม่พูดของเราที่มีกิเลสอยู่เนี่ยคือเวลาตายแล้วไม่พูดว่าเป็นของเราไม่พูดเงียบเห็นอยู่คนเดียวคือศพมีศพท่านั้นที่นิ่งอยู่แล้วก็ แปรสลายไปตามอัตภาพพร้อมทั้งการเวลาโดยเธอนั่งดูว่เธอเอารูปถึงเขาบอกไปปรงอัุภาบ้างไปปรงอยู่ในป่าช้าบ้างเอาศพมาพิจารณาบ้างจริงๆถ้าคนอินทรีย์แก่สักนิดเนี่ย ไม่ต้องไปดูศพข้างนอกหรอกเรานเนี่ยเป็นศพอยู่แล้วเรานี่แหละเป็นศพอยู่แล้วแต่ศพนี้ยังยังมีบิญยาณครองอยู่ยังเดินได้ทําอะไรได้แต่วันหนึ่งมันก็เหมือนกับที่เราเห็นที่เขานอนนิ่งอยู่นั่นแหละมนกี่ปี มันบอกอยู่แล้วทำไมไม่พิจารณาตัวเองให้เป็นสด บ, บ้างแผ่พิจารณาเดินหน้าสาักสี่ห้าสิบปีเนี่ยโถมันก็ไม่ใช่ยากอะไรมันเห็นอยู่แล้วว่าตายอ่ะถามจริงพ่อแม่เราอายุเท่าไหร่ ที่ตายหรือยังไม่ตายก็ดูเลยกันสภาพดูรูปนะดูเสียงนะสั่นนะสนดูการสัมผัสรสรสอาหารไม่เหมือนเดิมแล้วนะอะไรก็จะสแสลงไปหมดนะนะจากที่บอกอร่อยจากที่บอกถูกจารญอาหาร เผ็ดก็ไม่ได้หวานก็ไม่ได้เค็มมากก็ไม่ได้เปรี้ยมากก็ไม่ได้เย็นมากก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้จริงมันมันจะไม่ได้แล้วตอนนี้คือมันไม่ทนแล้วมันจะไม่ทนแล้วที่จะรับในขันนี้แล้วถ้าเรากาหนดเห็นเราเอามือมาประสานแล้วก็นั่งนอนประดมมือ ไม่ต้องมีใครเอาส่ยสินมาปูกก่อนนอนทําเงี้ยสั ก, กวันอไรสิบยสิบนาทีนอนนิ่งมองเห็นตัวเองเนี่ยนะเห็นศพทุกวันแหละมันจะได้อย่างน้อยคือบรรเทาความหลงในกายตนในชีวิตเรานั่นแหละมันได้คลายบ้างไม่ได้เห็นเห็นสัจจะชีวิตแล้วพิจารณาต่ออีกได้ วันนี้เราใช้อะไรมาเราทำอะไรไปเราเกี่ยวข้องกับสิ่งไหนทุกเกิดอย่างไรความไม่เที่ยงอยู่ที่ไหนเรากำหนดเแล้วเมื่อวานเป็นอย่างไรสามวันสี่วันห้าวันหวันฝึกสติอย่างนี้นะแก่แล้วไม่หลงคือไอ้เรื่องการลืมของเนะี่ยเป็นธรรมดานะเขาเรียกสัญญาไม่เที่ยงแต่ ไม่หลงคือไม่หลงคติพบไม่หลงการตายไม่หลงในขนาดที่ตนทำอะไรอยู่แต่ไอเรื่องที่ว่าลืมเนี่ยอีกประเด็นนึงนะธรรมดาสัญญามันไม่เที่ยง เ, ออเราจำไม่ได้อายุมากความจำมันก็ชักเฉื่อยลงจำยากขึ้นนั่นคือสัญญาไม่เที่ยง เขาบอกแล้วพระพุทธเจ้าสอนสัญญาไม่เที่ยงและก็เป็นทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติสัญญาไม่เที่ยงนั่นแหละแต่ต่างกันที่ว่าถ้าเราจะเริญนสติอย่างนี้บ่อยๆไม่หลงไม่หลงกายไม่หลงจิตไม่หลงติดอยู่กับชีวิต ไม่หลงอยู่ในการกระทําไม่หลงอยู่ในการที่ละออกจากโลกนี้มีคติดีนะบางคนเพิ่ก่อนตายเพิ่ก่อนนะเลอะเลือนหมาแล้วไม่รู้จะไปไหนแล้วนะคตินั้นสติตั้งไม่ได้แล้วเป็นไปตามกรรมวิบากที่จะบันดาลที่มาปรากฏเท่านั้นเอง เพราะเขาไม่มีกำลังแล้วไม่วัต ส, สติสมาธิปัญญาศีล ส, สุตะไม่มีอะไรมาเป็นเขาเรียกเป็นเป็นบรรลังหรือเป็นฐานหรือเป็นที่ตั้งไม่มีอะโยงคิดเนี่เหมือนจิตมันไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวหรือจิตมันไม่มีที่อาศัยในคติที่ดีไปเนโอ้ อยู่ๆเห็นปีศาจทำไงเห็นพูดผีปีศาจเห็นเปรตเห็นอสุรกายในตาค้างขาดใจไปแล้วไปไหนโยามอันนี้ทรงของเราเนี่ยมันไม่ธรรมดาในะการปฏิบัติไม่ธรรมดานะบุญเยอะคนปฏิบัติและโดยเฉพาะที่เราได้ฟังทำไปนะเราไม่สงสัยเลย เห็นใใครที่ยังหลงอยู่เรายืนดูแล้วมันเกิดความสมเพศเวทนาแทนว่าโอ้เราก็เคยหลงมาบัดนี้เราได้เจริญสติแล้วพิจารณาทำแล้วเห็นทำโดยชอบเรารู้แล้วทีนี้เราก็ต้องกำหนดจริงๆว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเรานะเรากำหนดอย่างไรไม่ว่าไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวตนเราก็เหมือนมีอยู่ในสูตรหนึ่งเขาบอกคนง่อทึ่นต้นเข้ามาคนง่อมัวคิดวุ่นวายว่าเรามีบุตรเรามีทรัพย์ แต่ในเมื่อบุรแต่ในเมื่อตัวเรายังไม่ใช่ของเราบุรและทรัพย์ต่เป็นของเราได้อย่างไรยมฟังดิขึ้นว่าคนโง่งคือคนไม่รู้นะใจว่าคนไม่รู้มอคิดว่าเรามีบุรเรามีทรัพย์ก็ในเมื่อตัวเราเอง ยังไม่เป็นของของเราบุตรและทรัพย์จะเป็นของเราได้อย่างไรฉะนั้นถ้าเป็นได้มันก็เป็นอยู่ในอุปทานแห่งภพหรือเรียกหนึงว่ามีภาวะในภพคือความติดอยู่มีความติดอยู่ในภพหนึ่งเท่านั้นและคิดหรือว่าเราเนี่ยเพิ่งเกิดเพิ่งมามีบุตรเพิ่งมามีพ่อแม่เพิ่งมามีพี่น้อง และเพิ่งมาแก่เจ็บตายคนไม่รู้ก็เข้าใจอย่างนี้แม้ผู้บรรยายเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันก็เข้าใจเหมือนกันแต่พอเราปฏิบัติไปนะจะมาบอกว่ามนุษย์ที่เกิดมานะมีธาตุรู้อยู่นะมีถ้าเราน้อมจิต ลงไปมีสติดิ่งลงไปเนี่ยมันรู้นะโยมเชมื่อไหมทุกคนมีพลังอยู่ข้างในที่เป็นพลังพิเศษอยู่มีนะเพียงแต่ว่าใครเจอมันหรือนำออกมาใช้อย่างนั้นทำไมเขาบอกเวลาตกใจโอ้โหของหนักๆที่แบกกันสามสี่คนเนี่ยนะ บอกไฟไหม้ไฟไหม้เนี่ยนะแบกบออกมาคนเดียวแต่พอไฟดับยกสองคนจะไม่ไหวอันนี้เพียงความตกใจนะแต่ถ้าจิตที่มีพลังทั้งมีสมาธิอยู่ด้วยโอ้โหโยมต้องควนว่ามันได้อีกกี่เท่า ฉะนั้นิทธิอิทธิปฏิหารที่ทรงแสดงไว้นะพระองค์ไม่ได้มองสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่เลิศกว่าคาว่าคนที่ค้นพบเรื่องของปัญญาคนที่ค้นพบเรื่องของปัญญาแล้วก็นําพาในจิตให้ขึ้นจากหลม่มหรือสามารถออกมาจากภูมิพบที่เรายังหลงอยู่ได้ตรงเนี้สุดยอดกว่า สุดยอดเห็น ไ, ไหมฉะนั้นธาตุเองความรู้นะมีทุกคนเพียงแต่วันนั้นเนี่ยใครเจอใครเจอตัวเองบ้างใครได้เห็นตัวเองใครได้พบตัวเองแล้วใครได้ปลุกตัวเองให้ตื่นโอ้ถ้าทำได้นะ มันสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งอาจจะมาให้เลยว่าเอาไปโสดาบันก่อนแล้วกันที่เหลือเอาไว้ทำอรหันต์เองแล้วกันคนที่พบตัวเองแล้วเนี่ยคือเห็นสัจจะความจริงสิ่งประเสริฐแล้วเขาไม่หลงแล้วไม่หลงเขากล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองไม่กล้าทำแล้วละในสิ่งที่ตัวเองเคยทำแล้วโอวิเศษมากนี่คือพลังที่ ที่ยิ่งใหญ่เขาเรียกเปลี่ยนพฤติกรรมแต่มาไม่เห็นอะไรจะเก่งกว่าคําว่าการได้เปลี่ยนพฤติกรรมของคนเดียวในชาติเดียวที่บอกคนนี้หน้ามือเป็นหลังมือเหลือเชื่อเขาบบางคนพวกเราไปประมาทเขาเมื่อตอนก่อนแต่พอมาบัดนี้เรานึกไม่ถึงว่าคนนี้เขาจะเก่งได้ขนาดนี้หรือสามารถทําได้ถึงเพียงนี้ บางทีตัวเราเองเรายังแปลกใจเลยนึกไม่ถึงว่าเราสามารถเดินมาถึงจุดนี้ได้เราสามารถทำได้ซึ่งถ้าย้อนกลับไปเรามองว่ายังไงก็ไม่ใช่ยังไงก็เราทำไม่ได้เห็นไหมมันมีสภาพธาตุรู้อยู่และมีพลังที่ซ่อนอยู่เป็นพลังที่ใครนำมาใช้ได้ใช้เป็น คนนั้นพบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งเอาอย่าลืมที่จิตไม่มีพลังมันหอยเหี่ยวร่างกายไม่มีกำลังมันแห้งเหี่ยวยมลองนึกภาพเลยจิตที่ไม่มีกาลังนะโอ้ความเบิกบานสดชื่นนี้มันหายไปในโลกนี้เลยร่างกายก็เหมือนพอไม่มีแรงไม่มีกำลังนะอย่าว่าแต่เดินเลย ลุกขึ้นเนี่ยนะมันยังไม่ลุกเลยบอกลุกไม่ไหวแต่พอกำลังใจมาเห็นไหมมันขับเคลื่อนหมดเลยกายก็พอยได้รับอานิสงส์งไปด้วยฉะนั้นคนหมดกำลังใจคือคนที่ฆ่าตัวตายแล้วนะครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งนั้นยังมีลมหายใจอยู่เท่านั้นเองแต่คนที่มีกำลังใจที่สู้ชีวิตอยู่ คนนี้เขามีชีวิตที่เต็มร้อยเต็มร้อยฉะนั้นผู้ปฏิบัติต้องมีชีวิตที่เต็มร้อยหรือร้อยห้าสิถึงขนาดนี้นะต้องเต็มร้อยหรือร้อยห้าสิเอา้าเรามีสภาพรู้ขึ้นมาเรามีวิธีจัดการชีวิตของตัวเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขแล้วสามารถ บำบัดทุกบำรุงสุขให้กับผู้อื่นได้อีกเอาเต็มสองร้อยไปเลยดีกว่าเพราะนี่คือสิ่งที่เราเจือจานและเผื่อแผ่ถ้าเป็นแสงไม่ใช่แสงเฉพาะตัวหรือเป็นแสงเพียงหิ่งห้อยนะนี่สามารถทำให้คนอื่นที่มืดเนี่ยได้สว่างเห็นแล้วก็เดินตามได้ดูพระพุทธเจ้า ยองดูพระพุทธเจ้าเนี้อคนพบพระองค์เองตั้งแต่ปฐมมยามทุติยจนถึงตติหรือปัจฉิมมยามมาชิมมัยามพระองค์ค้นพบชีวิตของเราเมื่อก่อนเป็นอย่างไรบุพเพนิวาสานุสติยานระลึกได้หมดข้าไปถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่ล่วงไปแล้ว แล้วก็มาตรัสรู้ที่รู้ว่าตนเคยทำอะไรสัตว์ทำอะไรให้ผลอย่างไร mm hmm. เขาเรียกรู้ทางดำเนินของจิตวิญญาณในพบน้อยใหญ่สัตว์ท่องอยู่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะโยมอยากเข้าใจว่าเรารู้นะไม่ย่โยมรู้ไม่ตายวันไหนบอกมาเลยวันไหน ข้างขึ้นข้างแรมเดือนไหนพอสะอะไรเวลาไหนกี่นาทีสถานที่ไหนโรคอะไรอายุเท่าไหร่หมืดตึบเลยนะนะถามอย่างเงี้ยแต่พระพุทธเจ้าเรานะประกาศบอกล่วงหน้าแล้วดังกี่เดือนนะ่ะโยมแล้วก็เลือกที่จะปรินิพาน รู้เวลาจบเลยแล้วก็บอกว่าพระองค์เป็นพระชาติสุดท้ายแล้วจบแล้วเังนเป็นการประกาศว่ากิจอันยิ่งกว่าไม่มีแล้วที่พระตถาคตจะต้องทำอีกจบแล้ว พรมจรรย์นี้อยู่จบครบแล้วสังโยชน์ได้หมดแล้วสิ้นแล้วสังโยชน์ปัญญาก็รอบรู้หมดแล้วยานทัศนะทั้งหลายก็รู้หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วที่จะต้องรู้เพิ่มมันไม่มีประโยชน์อันใดอีกแล้วขนาดนี้พระพุทธเจ้า ต, ตรัสรู้ยังแสดงที่ส่วนไม้ประดู่ลายในเรื่องของ ใบไม้กำมือเดียวถ้าเราเคยฟังมาก็ได้ตรัสถามพิสุพิสุทั้งหลายเห็นในพระหัตถ์ของเราไหมที่เรากำไว้เนะี่ยใบไม้หนึ่งกำมือถ้าเทียบกับป่าไม้ประดู่ลายเนี่ยนะทั้งป่าเนี่ยอย่างไหนมากกว่ากันพิสุตอบเป็นเสียงเดียวเลย แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้จเจริญใบไม้ทั้งป่าย่อมมีมากกว่าพระเจ้ากาฉันใดพิสุการตรัสรู้ของเราตรถาคตความรู้ของเรานั้นรู้เสมือนใบไม้ทั้งป่าแต่สาระประโยชน์ที่จะตรัสรู้มาเพื่อสั่งสอนกำมือเดียวพระองค์จะแสดงทุกเหตุของทุก ความดับและการออกจากทุกข์นี่คือสาระใน45พระปัญษาหลังจากตรัสรู้แล้วแล้วก็ประกาศธรรมมาตลอดประกาศอริยสัจธรรมความจริงอันประเสริฐสุดแล้วแล้วใครน้อมไปก็เห็นจริงอย่างนั้นจึงบอกโอตอมาบอก ตมาเคยเทียบนะว่าเราเข้ามาในพระพุทธศาสนาหลายปีแล้วเราเคยอยู่ในชีวิตทางลกโลกทางโลกเนี่ยเขายังมีจริงคำหนึ่งแล้วก็ไม่จริงคำหนึ่งหรือจริงหําคำไม่จริงสองคำหรือจริงสองคำไม่จริง10บคำเขายังพูดเพื่อหวังผลประโยชน์ เพื่อตนบ้างเพื่อพวกพรองบ้างพวกพรองบ้างแต่ธรรมะยิ่งพิสู์ยิ่งมีแต่บอกให้เราเนี่ยอย่าประมาทยิ่งพิสู์ดูเหมือนยิ่งบอกให้เรามีสติมากขึ้นยิ่งอยู่ไปยิ่งอยู่ไปยิ่งพิสู์ไป ธรรมะมีแต่ความเมตตาชีวิตปวงสัตว์ที่ยังวังวนอยู่กับสังสารทุกข์เนี่ยโอ้พอเห็นแล้วก็เราไม่เคยเราไม่เคยได้รับความจริงที่เป็นความจริงเช่นนี้เลยส่วนมากเราได้แต่จริงจเท็จเท็จ แต่ไม่เคยจริงๆแบบจริงทีทีเนี่นตัมาจริงยอมไงยอมรับพระผู้มีพระภาคเจ้าในการตรัสรู้ยอมรับธรรมที่พระองค์ได้ประกาศและก็ยอมรับผู้ปฏิบัติตามจริงๆและได้ผลจริงๆนะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นลูกตาศาธรรารมะ ม, มีลูกท่านหลานเธอหรือใครก็ตามตั้งแต่อดีตมาจนถึงบัดนี้ผลรับเนี่ยนะ ได้กับบุคคลนั่นจริงๆเขาจะมาบอกเราหรือไม่บอกก็ตามแต่เขาได้รับแล้วหมดความสงสัยอันตรมาก็ไม่ถามใครเหมือนกันก็ไม่รู้จะถามอะไรในเมื่อเราอยู่กับขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารถ้าเรากำหนดจริงๆเราก็จะรู้ในขันหน้าถ้ารู้ขันห้ามันก็รู้รูปนามมันก็จบตรงนี้ นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแต่สักว่านั่นตัวนั่นตนแต่ไม่ใช่ตัวใช่ตนอาศัยเขาอะอยางลมหายใจอะกำหนดเข้าออกโยมกล้าพูดไหมลมหายใจของฉันหรือเป็นอากาศธาตุที่หายใจเข้าออกเพียงเพื่อดํารงไว้ ที่มีชีวิตอยู่นั่นเองและยมไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเขาด้วยนะและเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเราด้วยเขาเป็นได้ก็เพียงธาตุสีเราเป็นได้ก็เพียงอาศัยอยู่ด้วยธาตุสีไม่เก่งกว่านี้เลยไม่เก่งกว่านี้ไอ้ที่เก่งใจเองใจมันเก่งแต่พอสุดท้ายเนะี่ย มันทุกข์นะั่นแหละแล้วเราจะไม่อยู่กับความทุกข์ด้วยความมั่นหมายมันไม่ใช่ปัญญาเพราะสุดท้ายสิ่งที่เราอาศัยอยู่มันแปรปรวนจบคำนี้ดีนะแปรปรวนยอมเอาไปคิดพินิษให้ดีโลกใบนี้มันก็เป็นอย่างนี้ต่อไปถ้าจะร้อง ก็ให้มีธรรมะมากขึ้นกว่านี้จะได้ร้องเบาๆถ้าจะดีใจก็คอยมีธรรมะก็จะไม่ดีใจที่มันโลดโผนไปเพราะสิ่งที่ดีใจและสิ่งที่เสียใจมันก็แปรปรวนอานะขอยยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร